การฟังธรรมพวกเราต้องน้อมต้องพิจารณาว่าเดี๋ยวนี้ท่านกำลังครูบาอาจารย์ท่านเมตตาเพื่อเราให้เราน้อมแบบนี้ถ้าใครว่าถ้าใครคิดว่าเป็นเรื่องของคนอื่นเรื่องของหลวงพ่อหลวงตาเป็นธรรมแบบนี้ไปคิดแบบนี้จะไม่เข้าใจเราจะฟังไปก็หมดเวลาหมดวันไปเรื่อยๆอเดี๋ยวก็แก่ไปเรื่อยๆ เราเลยไ ม, ไม่มีโอกาสที่จะได้รู้ทำเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติเข้ามาที่กายคิดว่าครูบาอาจารย์ให้เราแบ่งสมบัติให้เราคํ ค, คเดียวเท่นั้นแหะให้มันสะกิดใจของเราให้เราไปคิดไปนึกที่กิดของเราเนี่มันเละ่อนวุ่นวายมันเกิดที่ว่าเกิดมาสุขบ้างทุกข์บ้างอยู่ในโลกนี้ มันกินเวลามานานแล้วถ้าใครคิดว่าตัวเองนี่ชาตินี้เราเกิดขึ้นมานเร า, ม, ามีวาสนาแล้วเราควรจะตั้งสติเอาให้มันฟังให้มันเข้าใจคิดแบบนี้มันจึงจะมีเนว่าเกิดอุบายคำขึ้นมาสอนจิตใจของเราคาบางคำนั่นแหละมันไดี่ว่าก็แล้วแต่วาสนาบารามีของแต่ละคนอ่ะ อุปาณิสัยแต่ละคนหรือ ว, ว่าวิบากกรรมของใครของมันที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดเราไม่ต้องการความแก่ความเจ็บความตายแต่เราก็เจ อ, อสิ่งเหล่านี้อันนี้แหละหลวงพ่อก็จะพูดเรื่องความไม่จีรังยั่งยืนของร่างกายตัวตนของเราที่เราเกิดขึ้นมาแต่ละคนละคนะมันก็ไม่ว่าที่ว่าจะเลือกเกิดได้เราเกิดเลือกเกิดไม่ได้ แม้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็อยากดีกันหมดทุกคนแต่มันไม่เหมือนความคิดความตั้งใจของเรานะมันก็โลกผิดหวังอยู่ทํานองนี้ถ้าคิดมาที่ว่าทบทวนดูตัวเราแล้วเนี่ยบางวันอารมณ์ดีบางวันก็ไม่ดีมันก็สังเกตดูถ้าถ้าใครมีความสังเกตดูวันนี้มีความดีดีบ้างแต่ ทุกนะะั่นแหะที่มันเกิดมากกว่าให้สังเกตดูอารมณ์อันนี้ให้ให้ดูเข้ามาที่ให้มันเป็นปัจจุบันในตัวเราขณะนีะ้ในขณะนี้เราไม่มีการงานแล้วก็ไม่ส่งออกไปปรุงแต่งว่าเ อ, อเรายังไม่มีศีลบริสุทธิ์หรือว่าเรายังสงสัยนนสงสัยนี่อย่าไปคิดตัดทิ้งทั้งหมดเลยปัญหาของโลกปัญหาเรื่องความที่ว่าชีวิตการหาอยู่หากินทุกสิ่งนะ ตัดออกไปเลยแล้วในขณะนี้เราคนเดียวเราอยู่คนเดียวด้วยอย่าคิดว่ามีพวกที่นั่งอยู่นี่นั่งอยู่ด้วยกันมากๆนี่ก็คิดว่าให้เราอยู่คนเดียวออยู่คนเดียวในขณะนี้คิดแบบนี้อันนั้นหละมันจะได้ผลถ้าใครคิดแบบนั้นเป็นอ่าเราบางคนก็คิดว่าต้องมีพวกมีหมู่คณะอยู่คิดมันก็อุ่นใจนั่นแหละ มันก็ไม่กลัวมันไม่เกิดความกลัวจิตของเราเนี่ยก็เลยมีหมู่คณะอยู่ก็เลยอ่ามันอุ่นใจแค่นั่นแหละมันไม่ดีอ่ถาถ้าคิดแบบนั้นมันไม่ถึงธรรมสักทีอันนี้ให้พวกญาติโยมที่เจรณาเข้ามาการฟังเนี่ยจะได้ผลก็ต้องคิดว่าตัวเราคนเดียวในขณะนี้คิดแบบนี้มันจึงได้ผลอันนี้หละเราเกิดขึ้นมาอ่าไม่ว่าบ้านใดเมืองใด เกิดขึ้นมาแล้วก็แก่ไปก็ตายไป เ, เกิดมาทำนองนี้อันนี้พวกเราก็เดินทางเส้นเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ยิ่งสร้างบา ร, รมีมานานแต่ท่านก็ปรินิพานไปแล้วจากพวกเราไปแล้วอันนี้แหละสมเด็จสังฆราชแบบนี้านายหลวงแบบนี้ท่านสร้างบา ร, รมีม า, าที่มีความสุขมีอยู่ มีกินมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแหละแต่ในที่สุดก็หมดชีวิตไปเหมือนกันอันนี้น้อมเข้ามาทำนองนี้ตัวเราที่เกิดขึ้นมานี่ก็เพราะกรรมตกแต่งที่ลหลายชาติเวียนไหวตายเกิด ไ, ไปเกิดเป็นสนเดลสารหรือเป็ดเปดเป็นผีไปก็มีอันนี้แหละอันนี้เรามาเกิดเป็นคนแล้วเราสมควรอย่างยิ่งชาตินี่แหละเราสมควรอย่างยิ่งที่ อย่าประพฤติปฏิบัติให้ได้รู้ได้เห็นสัจธรรมสัจธรรมเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไกลอยู่ใจของเรากายของเรากายของเรานี่นะเป็นที่ว่าถ้าไม่มีกายใจก็ไม่มีมันอยู่ด้วยกันอันนี้เราถึงพร้อมแล้ววันนี้ก็ให้พิจรารณาลงมาสู่ที่ว่ากายเมืองกายยนครท่านว่าเมืองกายยนครคอนอมีความหึงหวงอยู่นี่ขนะ พระยาจิตราชท่านว่าพระยาคิตราชเป็นผู้หึงห่วงให้เราสังเกตดูว่าที่ว่ามันว่าตัวเราตัวเราเนี่ยตัวเราที่มันมีอัตราตัวตนที่มันยึดมันถืออยู่นี่อันนี้แหล ะ, ะให้เราที่ว่าดูลมหายใจดูสังเกตว่าลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทธโท เ, เอาตามลมหายใจนั่นแหล ะ, ะสนัดเอาความถนัดของใครของมัน พุดโธรพูดโธกับลมหายใจเข้าออกถ้าบาังคับนี่ไม่ดีเราปล่อยปลยไปตามตามลมหายใจนั่นแหละถ้าเวลามันจะเป็ น, นมันทีเข้ามาเองอลมหายใจมันจะทีเข้าทีเข้าทีเข้าแล้วก็พุดโทรพูดโทรพูดโธก็ทีเข้าเหมือนกันทําทนองนี้เวลามันจะเป็นเป็นแบบนั้นถ้าถ้าปกติต้องเอาตามลมหายใจลมมันจะหายายากก็ช่างมันมันฟืด ตามปกติเนี่ยมันไม่ฝืดแต่พอเรามาหลับตาลงไปแล้วเนี่ยหายใจตั้งจิตภาวนาเนี่ยคิดว่าจะหายแยไปดีๆเนี่ยมันก็เป็นที่ว่ามีการขัดสนขึ้นมาทำนอนี้อันนี้แหละที่ว่ามันเป็นขันธมานมันเกิดขึ้นมาเราไม่ต้องการอยากให้มันเป็นแบบนั้นมันก็เป็นอันนี้แหละเราแต่งเอาไม่ได้แต่เราดูมีสติดูเข้าไปเรื่อยๆ พุโทโธอยู่กับลมหายใจเข้าออกเข้าออกอย่าส่งใจออกไปข้างนอกพิจารณากายของเราอายังโคเมกาโยท่านว่ามีหนังพุ่มอยู่เป็นที่สุดลอกสิ่งที่อยู่ในกายของเรานีมีอะไรบ้างให้เราคิดน้อมเข้ามาพิจารนาว่ากระดูกกระดูกมันอยู่ข้างในมีเนื้อมีเนื้อมีเนื้ อ, ม, อมีหนังมีเลือด อยู่ในกายของเราอนอกจากนั่นอปอกไตก็ตับไตไส้ปอดอมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวของเราเป็นสิ่งที่ว่าท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่โปรตีนเป็นสิ่งที่บูดเน่าเหมือนกับุงยางใส่อาหารไว้นานๆมันจะเน่าให้คิดแบบนี้เข้ามาตัวเราถ้าใครคิดเป็นถ้าใครคิดเป็นสมาธิมันเกิดมันก็จะเน่าให้ดู แต่ถ้าจิตของเราไม่เป็นสมาธิมันไม่เนา่จาจะ ก, กําหนดอย่างไรมันก็ไม่เนา่าแต่ถ้าจิตของเราเป็นสมาธิได้ก็าอาศัยนี่แหละอาศัยธรรมบริกรรมพุทโธพุทโธให้ต่อเนอื่องนี่แหละใจของเรามันจึงจะได้เกิดได้เป็นอันนี้การฟังการฟังการปรับพฤติปฏิบัติไปเป็นของยากเป็นของยากแต่ทําได้เรามีลมหายใจเหมือนกันมีกายเหมือนกัน ครูบาอาจารย์ท่านมาจากที่ไหนก็มาจากคนท่านก็กินข้าวมาเหมือนกันมีความอยากความเก็บความปวดเหมือนกันทุกคนที่เกิดขึ้นมาให้เราน้อมเข้าแบบนี้ตัวเราในขณะนี้เราก็พร้อมแล้วให้คิดแบบนี้อย่าคิดว่าเออเรายังไม่บวชเรายังไม่ได้สมควรที่จะประพฤติปฏิบัตินในประเภทแบบนี้เราก็คงไปหารักษาศีลก่อนไปฝึก ถือสินก่อนอย่าคิดแบบนี้ให้ถือว่าเรานี่เรามีแล้วศินของเราในขณะนี้ในปัจจุบันนี้เราไม่ได้ไปผิดใครเราไม่ได้ไปผิดอะไรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้ไปผิดให้คิดแบบนี้อันนี้หลักใจของเราบางคนที่ในสมัยก่อนๆเนี่ยก็ไม่ได้รัชนาสินไม่ได้ไปรับสิน พอได้ฟังภาษารีบุตรท่านไปเทศภาษารีบุตรเห็นอุปนินสัยของที่ว่าพามเขาเป็นโจรโจรเขาแดงโจรเขาแดงเนี่เป็นนักประหารเป็นที่ว่าเป็นผู้ประหารคนเขาเป็นโจรเข้าไปเป็นสมัครเป็นโจรแล้วก็พวกนายจับได้ในที่สุดพระราซา ถามหัวหน้าโจรถ้าหัวหน้าโจรฆ่าลูกน้องห้าร้อยเนี่ยจะยกให้เป็นเพชรขาดประจำเมืองไม่ไม่ได้ถูกประหารหัวหน้าโจรก็ไม่เอาคนรองลงมาเรื่อยๆก็ไม่เอาในที่สุดทั้ง5้า้อยเนี่ยไม่มีใครรับโจรคนนั่นเพิ่งจะเข้าไปเป็นโจรกับเขาโจรขาวแดงใช่เพิ่งจะเป็นเป็นโจรใหม่ๆก็เลยตัดสินใจว่ารับเราจะไม่ได้ตาย ก็เลยเป็นคนที่ตัดคอคนอื่นประหารคนอื่นห้าคนในวันนั้นฆ่าสัก500แต่วันต่อต่อนี่ที่คนที่เขามีความผิดถูกโทษประหารถือว่าพวกเจ้านายจับมาได้ก็เป็นนักโทษคนนี่แหล ะ, ะเป็นโจรขาวแดงนี่เป็นเพศสัมพประหารมาเรื่อยๆจนกว่าอายุเขาเจมาเรื่อยๆจนตัดคอคนที่ว่า ตัดคอไม่ขาดง่ายนะเขาไม่ตายง่ายทุรนทุลายดิ้นโลนอยู่มันน่าสงสารเขาจึงเปลี่ยนเขาจึงให้ออกพอพ้นตําแหน่งแล้วพอพ้นตําแหน่งแล้วก็กลับบ้านกลับไปอยู่บ้านบอกภรรยาว่าวันนี้ อ, อาบน้ําดีๆแต่งตัวดีๆแล้วจะกินข้าวอร่อยอร่อยอไปหาอาหารมาให้ดีนี่หาอาหารที่อร่อยอร่อยมาให้กินสักหน่อย บอกภรรยาภรรยาก็ไปหาซื้อตามตลาดหรือว่าไปหาจากไหนกมาก็ไม่รู้แะแต่โจรเขาาแดงเนี่ยอาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็แต่งตัวดีๆอ่ากำลังจะดั่งอ่ารับทานอาหารนั่นแหละพอดีพระสารีบุตรเนี่ยวันนั้นอ่าท่านเข้าสมาบัติอ่าเข้าสมาบัติแล้วก็ออกสมาบัติแล้วมาพิจารณาว่าวันนี้เราจะไปโปรดใครท่านพิจารณาเห็นว่าโจรเขาแดงเนี่ย โจนขาวแดงนี่เขาจะตายเขาจะสิ้นอายุใกล้จะสิ้นอายุแล้วถ้าเราไปโปรดนี่ก็จะได้ผลอยู่เขาจะรับเขาจะใส่บาตรเขาจะถวายทานเขาจะฟังเทศฟังธรรมท่านพิจารณาเห็นผลประโยชน์แล้วก็พระสารีบุตรก็มาสงเคราะห์พระสารีบุตรก็เดินมาหน้าบ้านแจกกำลังจะทานอาหารโจนขาวแดงพอมองเห็นแล้วพระสาริบุตรแล้วเนี่ย เออวันนี้อภาษารีบุตรก็มาอาหารของเราก็มีวันนี้เราก็ไม่มีธุระไปประหารคนอะดีแล้ววันนี้เราจะได้ทําบุญทําทานสักทีอที่เราเกิดมายากจนเขินใจนี่ก็เพราะที่เราไม่ได้ทําบุญทําทานนี่แหละในที่สุดแจ ก, ก็ตัดสินใจไปนิมนต์ภาษารีบุตรอแล้วก็เอายกอาหารนั่นถวายกียรตลงในบาทภาษารีบุตระ ในที่สุดภาษารีบุตรก็แบ่งให้โจรขาวแดงนั่นรับทานด้วยในที่สุดก็ที่ว่าภาษาลีบุตรสันเสร็จแล้วท่านก็อนุโมทนาท่านก็พูดเรื่องธรรมะธรรมโมให้ฟังแกก็พูดขึ้นมาว่าโจรขาวแดงพูดขึ้นมาว่าผมนี่บาปกรรมหนักหนาเหลือเกินไม่สามารถที่จะฟังอะไรได้ไม่สามารถที่จะ เข้าใจในเรื่องศิลเรื่องธรรมเพราะผลกรรมของผมมันมากแก่พูดขึ้นมาทํำนองนี้พระสารีบุตรเลยถามถามปัญหาว่าที่ท่านประหารคนเนี่ยใครบอกใครสั่งใครสั่งประหารคนพระราซ า, อ, าอ้าวท่านก็ไม่ได้รับผลกรรมละสิพระราซาเป็นคนสั่งพระราซาจะเป็นผู้รับผลกรรมพระสารีบุตรก็เลยเทศอีกทั้งที่สอง แกแล้วเข้าใจเลยมันแก่เข้าใจในที่สุดแก่ก็พิจรารณาอเห็นว่าการเกิดขึ้นมานี่อการเกิดขึ้นมาแล้วก็สร้างกรรมสร้างเวรในที่สุดก็ค่อยแจไปเรื่อยๆอในที่สุดก็ค่อยตายพิจรารณาไปพิจรารทบทวนไปเห็นเลยว่าสัจธรรมคําสั่งสอนของเทวเจ้าถึงอกถึงใจบรรลุธรรมเป็นพระละหัน์ะ ถึงพระลาหารเลยน ะ, ะโจรขาวแดงที่ว่านพอเจอเป็นพระลาหา์แล้วเจก็ขอบวชบานเจอยากจะบวชจึงเจขอบวชกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็บอกว่าต้องไปหาบาทต้องไปหากีวรหาบาทมาก่อนจึงจะได้บวชพอพระสารีบุตรก็กลับไปเจส่งบาทรพระสารีบุตรแล้วก็ จะไปแสวงหาผ้าหาบาทก็ถูกโคขีดตายโคแม่ลูกอ่อนขีดตายโคแม่ลูกอ่อนน่ะเขาเป็นยักษ์เป็นยักษิขีนีอเป็นยักษิขีนีในสมัยนั้นมียักษิขีนีตนหนึ่งเพราะเป็นคู่กรรมกันอ่าในชาติก่อนๆในอดีตชาติก่อนๆย้อนมานั่นอ่าโจนขาวแดงนี่เขาเป็นลูกเศรษฐีอ่า มีเพื่อนอยู่ร่วด้วยกันเป็นหกเจ็ดคนเนี่ยก็เป็นที่ว่าเที่ยวไปพวกนมนมตามภาษาคนนมนั่นแหละก็เที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆในสวนสาธารณะที่ลื่นเลิมต่างๆนั่นแหละก็ไปจ้างเอาโศเพนีไปอภิรมในที่สุดถึงตอนข้ามานี่ไอหนุ่มทั้งหมดนั่นก็ปรึกษากันว่า เราฆ่าเอาเครื่องแต่งตัวมันอเอาสร้อยเอาแหวนมันเอาเสื้อผ้ามันไปขายจะได้ไปจ้างคนอื่นวันพรุ่งนี้เขาคิดคิดแบบนี้อยิงคนนั้นรู้จักเขาจะฆ่าตัวเองในที่สุดเขาจะก็ฆ่าเขาก็อาฆาตไว้อถ้าเราเกิดชาติใดพบใดก็ขอให้เราได้ฆ่ามันไอ้คนที่มันฆ่าเราวันนี้เขาคิดไว้แบบนี้อ เขาก็ถูกฆ่ามาทำนองนี้เรื่อยๆอันนี้แหละผลกรรมแต่ผลบุญของไอ้ไอ้ไอ้โจรขาวแดงเนี่ยแต่ซาดก่อนย้อนอดีตไปโน่นอีกนะในสมัยพระพุทธเจ้ า, อ, าองค์ก่อนๆย้อนไปโน่นครับเขาเคยทำมาแล้วเขาเคยทำความดีม า, าเคยที่ว่าบำเพ็ญในช่วงนั้นนะที่ว่ า, าศาสนาของพระพุทธเจ้าจะหมดไป แต่ในช่วงนั้นนะมีพิสุเกดองออก็ซักส่วนกันขึ้นไปอยู่ถ้ำถ้ำนั่นนี่ว่าไม่สามารถที่ว่าจะปีนขึ้นไปได้แต่พระเจ็ดลูกพิสุเจ็ดูปเนี่ยก็ช่วยกันทำบันไดทำบันไดขึ้นไปแล้วก็พากันขึ้นไปขึ้นไปแล้วพักบันไดลงมาไม่ต้องลงก็ตั้งสัจจะอธิฐานว่าถ้าใครไม่บรรลุธรรม เหาะไปบินทบาทไม่ได้ไม่สําเร็จเป็นพระหลังไปบิณทบาทมาฉันไม่ได้จะไม่ฉันข้าวจะให้มันตายไปเลยอันนี้แหละควกเรานี้ก็มีบางองค์ก็บรรุษธรรมไปก็ไปบินทบาทมาหากลุมที่ไม่ได้บรรลุธรรมนี่ก็ไม่ยอมไม่ยอมฉันด้วยก็ตั้งสัสจจะที่ว่าถ้าไม่ได้บรรลุธรรมเราก็ขอให้มันตายไปเลยทําเรานี่ ในที่สุดก็ที่ว่าเป็นโจรขาวแดงเนี่ยล่ะกลุ่มที่ไม่ได้บรรลุธรรมแต่ชาตินี้ชาตินั้นท่านตั้งสัจจะไว้แล้วก็บำเพ็ญมามาแล้วอ่าบัด น, นี้ก็ได้มาเกิดเป็นโจรขาวแดงถูกโคขิดตายพอถูกโคขิดตายแล้วก็พระพุทธเจ้าพาพระพิสุสงฆ์เนี่ยออกมาเผาออกมาเผาแล้วก็เอาอัฐิธาตุนี่สร้างเจดีย์สร้างสถูปใส่ไว้ แต่เป็นเป็นโยมนะเป็นโยมอ่าแต่เป็นพระละหันในเพศโยมอันนี้แหละอ่าแบบนี้ก็มีอันนี้พวกเราก็เคยทำมาแล้วเคยตั้งศรัทธาเคยตั้งสัจจะอธิษฐ า, านไว้แล้วบางชาติบางภพที่เราเวียนไห้ตายเกิดเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมาตัดสรุนี่ไม่รู้ว่ากี่พระองค์มาแล้วอ่ฟังแต่สามล้านกว่าพระองค์ที่มาตัดสรุในโลก อันนี้กีดวิญญาณของพวกเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดมานี่อ่าพวกเราก็เคยเกิดเคยทํามาความดีอันนี้แหละให้เราน้อมเข้ามาพิจรารณากายกายตัวนี้ที่ว่ากายตัวนี้เนี่ยมันเป็นที่ว่าเป็นลังของโลกอ่าให้พิจรารณานี่แหละอ่าโลกตับโลกปอดสารพัดที่ว่าโลกเก้าบาหวานที่มันเกิดขึ้นมาในกายของเรานะโลกมะลังมะโลงมะเรงที่ว่ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยแม้กระทั่งเม็ดเลือด เมด็ดเลือดก็ยังว่าเป็นเมด็ดเลือดขาวเป็นมเมล็ดเมียดเลือดขา ว, วก็ยังมีอีกอก็ยังเป็นที่ว่าซับซ้อนแบบนั้นอันนี้ละพวกเราเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าพบไหนชาติไหนเราก็ที่ว่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่แบบนี่แหละไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่รู้ว่ากี่เที่ยวกันมาแต่ละคนละคนจิต ด, ดวงเดียวเนี่ยที่เกิดที่ตายมานี่เป็นสัตว์มาแล้วคนละหลายล้านเที่ยว ที่มาเกิดเป็นคนก็หลายแสนเที่ยวถ้าเราคิดแบบนี้ก็สมควรอย่างยิ่งที่ว่าเราจะพิจารณาลงไปให้มันเห็นเป็นปัจจุบันถ้าจิตของเราส่งออกข้างนอกมันไม่เป็นถ้าเราน้อมเข้าม า, เ, าเรื่องกายของเราเนี่ยละ่ะกายของเราเป็นลักษณะนีอ้อาหารใหม่อาหารเก่ายีาเรลาไส้ของเราเป็นลักษณะนี้เนี่ยให้เราสอนลงไปแบบนี้น้อมลงมา คนในกายของเราเนี่ยอย่าส่งออกไปข้างนอกอย่าไปคิดเรื่องจะร่ำจะรวยเราคิดมาแล้วเราทำมาแล้วเ น, นี่ยหลายเที่ยวหลายศาสต์ที่เราเวียนว่ายตายเกิดจะเกิดเป็นที่ว่ามหาเศรษฐีก็ตายเกิดเป็นพระราสามหากษัตริย์ก็ตายเป็นนักรบเป็นนายพล น, นายพันก็ตายนี่แหละจะเก่งแค่ไหนก็ช่างตายหมดนั่นแหละอันนี้เราเกิดมาเกเราไม่สมหวัง ที่เราเกิดมาเนี่ยมันผิดหวังมาตลอดอันนี้แหละเราเกิดขึ้นมาชาตินี้ปู่ย่าตายายของเราไปไหนหมดพ่อแม่ของเราไปไหนหมดบางคนก็ยังเหลืออยู่บางคนก็ตายไปแล้วอันนี้แหละมาทํานองนี้วันข้างหน้าเป็นวันของเราวันข้างหน้าเป็นวันของเราอันนี้วันนี้เรายังมีโอกาสอยู่เรายังมีลมหายใจอยู่ให้สอนตัวให้มันกระซับเข้ามาทํานองนี้อย่าทรงให้มันที่ว่า อ่ไปอ่เราจะรวยแบบนั้นเราจะรวยแบบนี้ไปลงทุนค้าขายอย่าไปให้มันปุ่งแตกไปแบบนั้นให้มันปุ่งเข้ามาทํานาที่ว่าอ่าร่างกายนี่เต็มไปด้วยของปฏิกูลเต็มไปด้วยของสกปกโสโครมีโรคสารพัดที่มันอ่าอยู่ในกายของเรานี่มะเร็งไม่รู้ว่ากี่จำพวกอยู่ในกายของเรานี่อันนี้แหละท่านพิจารณาเข้าแบบนี้ท่านจึงว่าอ่าเอาเอาแบบที่ว่าให้เป็น อ่าเรื่องเฉพาะตัวไม่ไม่ไม่คิดว่าเป็นเรื่องของคนอื่นนะถ้าบางคนนี่ก็คิดว่าเป็นเรื่องของคนอื่นมานั่งอูบาจานันทรานั่งก็นั่งคิดลอยอารมณ์ไปปล่อยอารมณ์ไปเรื่อยๆทํานองนี้มันก็ไม่เกิดไม่เป็นอันนี้พวกเราที่เรณาน้อมเข้ามาทํานองนี้กายใจของเรานี่ยที่เรามาเนี่ยว่าบางทีมันก็ที่ว่ามีความสนุกล่าเริงไปบางทีก็ ความสุขความทุกข์สารพัดที่มันจอนเข้ามาให้ดูอารมณ์ตัวนี้อันนี้ลหละคนเกิดในขัง้งพุทธกาลก็มีเหมือนกันกับพวกเรามีราคะมีกิเลสมีตัณหามีความโลภโกรธหลงอยากล่ำอยากรวยเป็นพวกป้นสะดมสารพัดที่ว่าแย่งเอาทรัพย์สมบัติกันสารพัดที่พวกเราที่เกิดขึ้นมาพวกเราเนี่ย เคยเกิดมาทํานองนี่เราจะไปเกิดที่ไหนก็อสั่งประเทศไหนก่อสั่งจะเลินสุดๆแล้วก็ตายนั่นแหละที่เราเกิดขึ้นมาความแก่เป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ท่านจึงว่าโลกคือหมูสัตว์อันสราต้อนไปอยู่นั่นใครละ่ะไม่สลาเราเกิดขึ้นมาเนี่ยความสลาคํำค่าแต่ก่อนเราเป็นเด็กเดี๋ยวนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว50 60 70 ไปทำนองนี้อันนี้แหะค่อยสลาไปเรื่อยๆในที่สุดเนี่ยโลกไม่มีผู้ต่อต้านนะโลกไม่มีผู้ต่อต้านที่ว่าจะเอาที่ว่าเอาอาวุธเอาที่ว่าจะมีปืนมีดาบมีอะไรมีหอกมีดาบมากั้นที่ว่าไม่ให้พระยายมราชม า, ายมทูตมาเอาจิตวิญญาณของเราห้ามไม่ได้ไม่มีผู้ต่อต้านภัยตัวนี้อ ถ้าภัยที่ว่าสงครามเนี่ยก็ยังที่ว่าหาอาวุธสู้กันได้แต่พระยามัจยุราชมาเอานี่ไม่มีเวลาที่จะต่อสู้แล้วนะ น, นี่แหละโลกของเราเป็นอยู่แบบนี้อันนี่แหละโลกโลกยังพ่องอยู่อันนี้ท่านบอกว่าโลกยังพร่องอยู่เนี่ยใครก็ไม่พอสักทีอยากรวยอยู่ตลอดอันนี้เราเกิดขึ้นมาเนี่ยอยากลิมอยากรวยอยู่ตลอดไม่พอสักที อ่ า, อามีเป็นพันล้านเป็นแสนล้านอยากได้มากกว่านั้นอีกอ่าอยากเป็นที่ว่าใหญ่ที่สุดในโลกรวยที่สุดในโลกอ่าดีที่สุดในโลกนั่นแหละแต่มันไม่สมหวังอ่าคนจะมาเกิดมาจากนั้นก็ช่างเราก็อยู่ในที่ว่าความแก่ความเก็บความตายอันนี้ตามมาทุกคนอันนี้แหละที่เราเกิดมาถ้าเราเป็นเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เราก็เที่ว่า ไม่มีสิทธิ์ไม่มีอํานาจไม่มีสิทธิ์ไม่มีอํานาจสร้างเสือตัวใหญ่ๆนะมันก็หากินสัตว์ตัวเล็กลงมาแต่ก็ยังมีมนุษย์กินเขาอีกฆ่าเขาอีกเอาเนื้อเอาหนังเขาไปขายเอาเคี้ยวเอาฟันเขาไปขายเอางาเขาไปขายอยู่ทํานองนี้เกิดขึ้นมาเป็นเปรตเป็นผีก็ยังที่ว่าทุกข์ทุกข์กมากอีกอนั่นแหะไม่มีที่ว่า โอกาสที่จะที่ว่าจะมีความสุขไม่มีโอกาสที่จะมีความสุขหาเลล่อนหาหาอยู่หากินนั่นแหละอ่าเขาก็ตะเวนหากิน อ, อาหารของเขาที่ว่าพวกเปรพวกผีที่จิตวิญญาณพวกสัมภเวสีนี่เขาก็ที่ว่าหากินแบบยากๆนั่นแหละอ่ะาญาติพี่น้องอุทิศส่วนบุญให้บางตัวก็ไม่ได้รับบางตัวที่ว่าเขา มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่จึงได้ได้รับส่วนบนุญแต่บางตัวนี่เขาเป็นเปรเป็นผีที่ว่าไม่ได้รับส่วนบุญจากใครง่ายๆได้ยินแต่เสียงที่ว่าหลอกเสียงหลอกนั่นนะพวกสูญเจ้าทั้งหลายจงมากินข้าวกินน้ำมันจะค่อยเดินไปเดินไปตามเสียงแล้วก็หายเป่าไม่มีอันนี้แหละวิบา ก, กรรมของ เขาที่เกิดขึ้นมาแล้วคนที่ไม่มีศีลมีธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นที่ว่าได้รับผลกรรมแบบนั้นอันนี้พวกเราที่เราได้เกิดขึ้นมาเป็นคนนี่ให้สร้างความดีใส่ตัวเองให้มีศีลมีธรรมรักษาที่ว่าความดีอย่าไปล่วงเกินสิ่งใดที่มันผิดศีลผิดธรรมที่ว่าล่วงภรรยาคนอื่นเรื่องอที่ว่าสามีคนอื่นแบบนีอ้อย่าปล่อยให้มันเป็น ถ้าเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเปดตเป็นผีก็ได้สบายอันพวกเรานี่อันนี้แหละพวกเราอย่าไปปล่อยให้มันที่ว่าเรื่องความที่ว่าใจของเรามันต้องการเรื่องจิตเรื่องใจของเรามันคิดขึ้นมาซั่วคู่ซั่วาคาเนี่ยแหละมันฟูบฟาบขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแบบกระทันหันถ้าใครมีสติยับยั่งเราก็พิจรารณา่า ไอ้กายตัวนี้เป็นสิ่งที่สุกโป่งโโสโคกไม่กีรังยั่งยืนในที่สุดมันก็จะตายถ้าคิดเรื่องสุกโป่งเข้ามาคิดดูหนังเน่ากายเน่าเข้ามาทํานองนี้เราก็จะแก้ปัญหาเรื่องอธิวา ล, ลาคะที่มันเกิดขึ้นอันนี้แหละฝึกหัดทํานองนี้ให้มันให้มันทัน อ, อย่าปล่อยไปตามอารมณ์บางคนก็มีความโลภมีความโลภเอาที่เขาทํานองนี้แหละ ที่ไปเกิดเป็นเปรดเป็นผีก็เพราะที่ว่ามีความโลภความโกรธทำนองนี้อันนี้เราเกิดขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็อยากรวยเหมือนกันแต่มันไม่สมหวังแต่ขอให้ที่ว่าทำเอาด้วยที่ว่าเอาด้วยกำลังกายกำลังใจที่เรามีอาชีพเราทำตามที่ว่าความรู้เรามีน่ะมันจะดีกว่าถ้าใครฝื้นธรรมชาติแบบนั้นไป อยากรวยเร็วๆบางคนเขาก็ไปป้นล้านทองล้านอะไรต่างๆที่เขาเป็นนักป้นนักกี้สารพัดที่เขาหลอกลวงต้มตุนกันแบบนี้แหละเป็นที่ว่าเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่สมหวังที่ถ้าใครฝืนทำแล้วไปเป็นเปรตเป็นผีแล้วก็แก้ายากอันนี้เราเกิดมาเป็นคนก็ให้สร้างความดีใส่ตัวเองอคิดว่าเราเกิดขึ้นมาแล้ว เราพยายามที่ว่าสร้างไปหาอยู่หากินไปด้วยความซื่อสัตย์ด้วยอยู่ในขอบสินของธรรมนอันนี้แหละอันนี้ใจของเราที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ฝึกหัดภาวนาไปด้วยการที่ว่าความเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่ทำนองนี้ใจของเรามันกระวนกระวายมันต้องการแบบนั้นต้องการแบบนี้ลูกหลานก็าสารพัดที่ เกิดขึ้นมาแล้วก็ที่ว่าพวกเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเข้ามาแล้วเราเลี้ยงมากับมือนั่นแหละแต่มันไม่สมหวังเราส่งไปเรียนหนังสื อ, อบางคนมันก็ไปไปจินยาบ้าซ ะ, ะไปติดกาวซะไปติดพวกที่ไม่ดีซะแบบนี้ก็มี น, นลูกหลานของพวกเราความทุกข์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมากับใจกับกายของเรานะีอย่างบางคนก็แต่งงาน แต่งงานในช่วงเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยพูดกันมีแต่คํหวานหวานคําดีดีทั้งหมดแต่พอมาอยู่กันเนี่ยไม่ถึงปีเปลี่ยนชื่อกันแล้วไอ้ไหน้าส้นตีนไอ้หน้าหมาพูดขึ้นมาได้แล้วอันนี้แหละทานองนี้มันไม่กีรังยั่งยืนสักสิ่งสักอย่างถ้าเราพิจารณาว่าโลกโลกคือหมูสัตว์อันสราร์ต้อนไปอยู่ถ้าเราคิดมาแบบนี้แล้วก็คิดว่าโลกเนี่ย มีความวุ่นวายอยู่แบบนี้มีความที่ว่าปิ้นป้อนหลอกลวงกันอยู่แบบนี้ะมันไม่สมหวังสักทีเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราอยากอยู่เป็นล้านล้านปีแต่ทำไมมันจึงไม่สมความคิดของเราไม่อ่มันโลกผิดหวังอยู่ทานองนี้อันนี้โลกมันเกิดอยู่ขึ้นมาทานองนี้อันนี้แหละโลกเกิดขึ้นมาเราเรานี่แหละมาดื้อเกิดอ่าเวลามันแรง หรือว่าน้ำท่วมอย่างนี้การแล้งก็เป็นทุกข์น้ำท่วมก็เป็นทุกข์มันไม่พอดีสักทีเพราะเราเกิดมาเห็นมันเศรษฐกิจจะปั่นป่วนหรือว่าเขาเกิดสงครามประเทศนั่นลบประเทศนี้ประเทศนั่นลบกันอย่างบบนี้ก็เพราะเราดื้อมาเกิดมันจึงเห็นเขาถ้าเราพิจารณาเข้ามาทำนองนี้เราจะเห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์ ถ้าใครที่ารณาได้เดี๋ยวนี้ความความเกิดเป็นทุกข์ถ้าเราไม่เกิดเราก็ไม่มีความเจ็บความเจ็บความเจ็บไข้ความพัดผ้าเราก็ไม่มีอันนี้แหละความโศกมันก็เกิดจากนี่แหละความโศกความสารพัดที่เราเกิดขึ้นมามีทุกกายทุกใจมาก็เพราะอาศัยความเกิดถ้าเราเกิดเราขึ้นมาแล้วเนี่เราก็มีความทุกข์แต่เราที่ว่า เอาร่างกายที่เราได้มาเกิดนี่ทำความดีคิดเจรณาเรื่องความทุกข์ให้มันเห็นเป็นปัจจุบันใจของเราเนี่ยจึงจะว่าเกิดความเบื่อหน่ายเห็นโทษเห็นโทษเห็นภัยที่ว่าการเกิดเจีเจ๊ยบตายเป็นทุกข์เราก็ที่ว่าทำหน้าที่ของเราที่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่คนก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไป ถ้าเรามีพ่อมีแม่เราก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไปไปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ไปด้วยด้วยความที่ว่าเลี้ยงพ่อด้วยความเป็นธรรมเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ด้วยความเคารพย้ำเกง่งอันนี้ก็สามารถที่ว่าจะไปเกิดในภพที่ดีได้เหมือนกันบางคนบางคนก็ที่ว่าในสมัยครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนั่นแหล ะ, ะช่วงท่านเกิดเป็นสุวรรณสามท่านก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พ่อแม่ตาม<ำ>บอ่อ ก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นั่นแหละอุปธรรมข้ามูในที่สุดก็ว่ารักษาศีลไปด้วยกันพ่อแม่ก็เป็นลือศีสุวรรณสามก็บําเพ็ญเป็นลือศีเวลาหมดชีวิตไปก็ไปจุติในเทวโลกอันนี้แหละไปจุดไปเกิดเป็นพรมนะนะเป็นถึงขนาดนั้นอันนี้พวกเราก็เหมือนกันที่ว่าเราเล่ยล่อนเวียนไหวตายเกิดขึ้นมาเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ให้ที่ว่า หายใจของเราเนี่ยฝึกหัดไปเรื่อยๆแล้วก็ทําบําเพ็ญความดีใส่ตัวเองไปเรื่อยๆอบุญกุศลที่เราสร้างเราค่อยทําค่อยเป็นค่อยไปนี่แหละเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเมืองแต่และเมืองเนี่ยเขาก็ต้องการที่ว่าความเจริญต้องการความเจริญต้องการคนดีๆทั้งหมดนั่นแหละที่เราเกิดขึ้นมาเราอยากพพบพ่อแม่ที่ดีพ่อแม่ก็อยากได้ลูกคนดีๆ แต่มันไม่สมความคิดเราเกิดขึ้นมาแล้วนี่ให้โทษเราโทษเราเป็นคนที่มาเกิดเวลาเรามาเกิดแล้วเราก็ได้ความแก่ความเจ็บความตายถ้าใครพิจารณาลงเข้าวางดูหนังเน่าตัวเอง <c oughs> ให้มันเขียนเป็นปัจจุบันน ะ, ะดูหนังเน่าดูกายดูเนี่ยลอ่อยาส่งออกข้างนอกให้ส่งเข้ามาที่กายที่ใจของเราเนี่ย ใจของเรานะี่อ่ามันจะรวมเขา้ารวมเข้าถ้าจิตของเรารวมได้แล้วเนะี่ยอ่าถ้าจิตจิตก่อนของจิตมันจะรวมเนะี่ยอ่าลมหายใจมันค่อยละเอียดเข้านะอ่ามันจะเล็กลงเล็กลงลมหายใจเนะ่ยมันไม่ถึงท้องอ่าแต่ทรังแรกๆมันเต็มปอดนะเราหายใจพุโทโธพุโทโธเนี่ยหายใจลมหายใจมันถึงปอดมันเต็มปอดในที่สุดเนะี่ยมันรีบเขา้า ถึงจมูกเนี่ยมันไม่ถึงท้องอ่าอ่าไม่ไม่บางคนก็จะว่าเออเราไม่ใกล้าตายเลยหรือนั่นน่ะบางคนจะคิดแบบนี้มันไม่ตายง่ายหรอกจะเป็นอย่างไรก็ช่างให้ตัดสินใจไปเลยอ่าตายก็ช่างมันดูไปเลยนั่นะให้ดูทานองนี้อ่ากหนดอ่พุทโทบางคนก็พุทโทหายมา น, นี่ยนึกพุทโทมาอ่พุทโธทียิบเข้าไปแล้ว ต่อมาพุโทโธเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจของเราต่อมาพุโทโธหายอทำนอง น, นี้ที่มันเกิดนะอาการที่มันจะเกิดขึ้นมากับใจของเราก่อนที่มันจะได้รู้ธรรมพุโทโธหายก่อนพุโทโธหายแล้วอเอานึกยังไงก็ไม่มีพุโทโธอแต่ก่อนมันมีเราไม่ได้นึกยากอช่วงแรกๆนี่มันมันนึกยากมันมันลืม พอต่อมานี่มันคล่องแล้วนึกพุโทโธได้สบายพุโทโธเป็นใจพุโทโธอยู่กับใจเรามันเป็นอันเดียวกันต่อมาพุโทโธหายมันเกิดทํานองนี้คนจิตจะรวมเกิดทํานองนี้เราอย่าลืนตาถ้ามันเกิดอาการแบบนี้ไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องลืนตาพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วถ้าพุโทโธหายแล้วเนี่ยมันมีลมหายใจอยู่ก็ดูลมอีกลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าแบบที่หลวงพ่อว่าน ในที่สุดลมหายอีกลมหายใจเนี่ยมันหมดอีกมันหมดไปเลยลมหายใจบางคนจะคิดว่าเอ๊ะไม่ใช่เราตายแล้วหรือมันไม่ตายอ่าจะตายก็ช่างให้มันตายไปเลยนะต้องตัดสินใจแบบนั้นอย่าลืลนตาอย่าเปลี่ยนอริยบทอย่าไปหายใจแรงๆอ่าบางคนพอลมหายใจหมดเนี่ยไม่ใช่เราตายแล้วหรือเนี่ยหายใจแรงแพอลมหยาบเนี่ยจิตมันหยาบจิต ก, ก็เลยถอน การลืนตาไม่ดีอันนี้แหละคนที่ว่าต้องสละชีวิตเพื่อทำอันนี้แหละวิธีวิธีผ่านกับทุกขเวทนาต้องสู้ทํานองนี้ความเก็บความปวดเนี่ยสู้ไปเรื่อยเื่อสู้กับความเก็บความปวดเวทนาท่านว่าที่มันเจ็บเจ็บสะโพกเจ็บขาเจ็บตีนของเราเนี่ยแหละเจ็บมันเจ็บสะโพกเนี่แหละมากรุนแรงขึ้นไปเรื่อยเรื่อยกำหนด อ, อ้าวดูศพของเรา ถ้ามันรุนแรงขึ้นมาก็ดูศพที่ว่าคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาไม่มีความเจ็บความปวดอ่าเดี๋ยวนี้เราใกล้สิจะตายแล้วสอนตัวเองทำนองนี้อ่าเดี๋ยวนี้เราใกล้จะตายแล้วก็ดูเข้าไปเรื่อยๆให้มันที่ว่าอ่าดูลมหายใจถ้าลมประเภทนั้นมันหมดแล้วอ่าดูทุกขเวทนาทุกขเวทนาในที่สุดเราก็แยกได้อ่าพิจารณาไปในที่สุดเนี่ยเราจะแยกกายกับจิตออก จากกันตัวนี้เราจะแยกได้เพราะกายของเราเนี่ยมันหึงหวงมันว่าเอ้ยเดี๋ยวมันเป็นโรคอมะพึกนะเดี๋ยวมันเป็นเปลี่ยนอริยบทสักหน่อยมันจ ะ, ะหายใจสะดวกแล้วมันจะเย็นลงมันจะไม่เจ็บไม่ปวดถ้าเปลี่ยนอริยบทเนี่ยเหมือนกับเราถูกน็อกนะถ้าใครไปเปลี่ยนอริยบทเหมือนกับเราถูกน็อกเราขึ้นเวทีแล้วเราคิดว่าจะเอา อ่เอาให้ชนะได้เนีถ้าไปไปเปลี่ยนอริยบทเนี่ยเหมือนกับถูกน็อกเลยถูกกิเลสมันน็อกเอานะฮะพอเปลี่ยนอริยบทนี่มันสซโยเลยล่ะอ่ถ้าเปลี่ยนอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอ่าเจ็บปวดแค่ไห้ก็ช่างกําหนดว่ากายเนา่าอ่าช่วงนี้ก็เน่าแล้วนอนกินแล้วอ่านอนกินเนื้อกินหนังกินกระดูกกินเส้นกินเอ็นตับปอดของเราเนา่าเฟะในที่สุดลงเป็นดิน กําหนดทํานองนี้ถ้าใจของเราพิจารณาตัวนี้มันแจ่มแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆละเอียดขึ้นเรื่อยๆกําหนดแบบหนังเน่าแบบไฟเผาเนี่ยละเอียดเข้าทั้งสองอย่างแล้วเนี่ยจิตมันจะปล่อยวางได้อหมจิตของเรามันจะแยกมันมันมันมันไม่มีเวทนามันไม่ยึดนะนะมันไม่ยึดกายพอพอมันมันจะถามกันมันเจ็บมันปวดขึ้นแรงๆนะมันจะเกิดปัญหาขึ้นมา อาสารพัดแหละที่มันกลัวตายอ่ามันกลัวตายมันว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นโรคนะเดี๋ยวมันก็เป็นโรคกระเพาะเดี๋ยวมันจะเป็นโรคเน็บซานะอ่าไปนั่งนานๆสารพัดน่ะที่มันเกิดขึ้นมาอันนี้ขุมที่ว่ามายาของกิเลสตัณหามันหลอกลวงมันปิ้นป้อนมันหลอกลวงมันอยากให้เราเลิกเนี่ยแหละตัวนี้แหละตัวสัมพันธ์ถ้าเราฟืนไปเรื่อยๆจะทุกข์แบบไหนมาแบบไหนก็ช่างอ่าบางคนมันก็ไม่เหมือนกันล่ะ ที่สารพัดที่มันจะหาช่องทางให้เราเลิกให้เราลืนตาให้เราเปลี่ยนอริยบทเนี่ยสารพัดที่มันจะมายะที่ว่ามันจะมาอันแย่เราเน่มันมันจะมาแย่ยให้ให้เราเลิกทำเราหมดความเพียร เ, เดี๋ยวมันจะตายนะเดี๋ยวมันจะเป็นนั่นนี่ปน น, น, นี่นั่นน่มันเข้ามาทำนองนี้ในที่สุดถ้าจิตของเราเนี่ยไม่หวั่นไหวนิ่งให้มันที่ว่าแข็งเป๋งไปเลย ยาไปกับเพี่ยมไปกับที่อารมณ์ประเภทนี้สู้ไปเรื่อยๆในที่สุดจิตของเราเนี่ยพิจารณากายเข็นกายเน่าเข็นกายที่ว่าลงเป็นดินในตายคนที่เกิดขึ้นมาแล้วนี่เน่าเปื่อยตายแล้วเน่าเปื่อยลงเป็นดินในที่สุดจิตของเรารวมเข้ารวมเข้ามันก็ออกจากกันได้นเนสียงเฉพาะเสียงผู้รู้เฉพาะผู้รู้ ถ้าจิตของเราเป็นแบบนั้นนะอันนี้แหละใจตัวของเราจะได้เห็นธรรมได้บันถ้าใจของเราได้เกิดตัวนี้เห็นแล้วเนี่ยมันเกิดความอัศจรรย์อ่มันเกิดความอัศจรรย์โอ้เราเกิดขึ้นมานี่สุดท้ายภายหลังพระพุทธเจ้าท่านปรินิพานไปนานแล้วแต่เราวันนี้เราก็ยังมีโอกาสได้รู้ได้เห็นพระสัธรรมคําสั่งสอนของพระเจ้าแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นประเพณีแบบนี้วันนี้เราได้เห็นแล้วมันเกิดขึ้นมาทำนองนี้ มันก็ว่าสดสดลออน่ะเกิดขึ้นมา่ความที่มันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นสดสดลอนๆมันทั้งเป็นตัวลู้อ่ามันทั้งลู้ทั้งเห็นมันไม่เหมือนกับว่ามันไม่ได้คิดเอานะอ่าตัวนี้มันเห็นมันลู้มันเกิดขึ้นมาเป็นตัวลู้ตัวเห็นมันเกิดสิ่งมาตรจันทร์มันบอกว่าอ่ามันเกิดสิ่งมาตรจันทร์ให้เราได้รู้ได้เห็นอันนี้ใจของเราต้องที่ว่าเป็นคนที่ว่ามั่นคง กิจมั่นคงมันจึงที่ว่าสู้กับเวทนาต้องที่ว่าให้เลยเวทนาได้ถ้ารักษาพุทธโธให้ต่อเ น, นื่องได้แล้วก็ดูลมหายใจมันจะเป็นจะตายก็ช่างให้ดูลงมาที่ว่าให้พิจารณาลงสู่ความตายเปื่อยเน่าท่านยาว่าให้พิจารณาลงเป็นธาตุดินอันนี้แหละใจของเราทุกคนที่เรามาหลงเวียนไหวาตายเกิดก็ที่ว่าเพราะหลงในอัตตาตัวตนที่เรายึด หวังเห็นที่ว่าเรามีที่ว่ า, า, วาใจของเรานั่นแหละจิตใจของเราดวงนี่มันอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นมหาเศรษฐีสารพัดที่มันเกิดขึ้นมาอันนี้ถ้าเราฝึกหัดเอาจิงจังมันก็เกิดได้ใจของเรานี่แต่ก่อนมันก็คิดไปตาม อ, อ, ยาอยากได้น่นอยากได้นี่ไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็ที่ว่าซํารวมเข้ามาเรื่อยในที่สุดพิจารณากายให้เกิดความแกมแจ้งขึ้นแล้ว เราก็สามารถได้รู้ได้เห็นพระสัตธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวรู้ได้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเห็นคุณของครูบาอาจารย์เห็นคุณพ่อคุณแม่สารพัดที่มันเกิดขึ้นมาอันนี้แหละท่านจึงว่าเป็นปัจจุบันนกิจเป็นปัจจุบันธรรมอันนี้ญาติโยมที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อมเข้าสอนตัวเองทํานองนี้อย่าปล่อยที่ว่าให้มานเนี่ยนะพระท่านบอกว่า เป็นมารท่านบอกว่าสังขารมารหรือว่าเทวบุตรมารที่มันมาลบกวนมันมาบอกว่าออหยุดก่อนเถอะเดี๋ยวมันเป็นอมตะ น, นะนั่งนาน อ, อดข้าวนานมันเป็นโรคกระเพาะนั่นเนี่ยอันนี้แหละที่ว่ามันเป็นสิ่งลบกวนมาแย่ให้เราเลิอกอันนี้แหล ะ, ะสิ่งที่มันรบกวนให้เราถ้าใจของเรามันได้รู้ได้เห็นเนี่ย เราใจได้เห็นพบซา์ที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดหลายล้านเที่ยวที่เรามาเกิดเป็นสัตว์หลายแสนเที่ยวหลายแสนเที่ยวที่เรามาเกิดเป็นคนอันนี้แหละใจของเราเนี่ยมันเขียนแบบนั้นแหะมันก็ที่ว่าน้อมสอนตัวเองที่เรามาเกิดเนี่ยก็ทุกอยู่แบบนี้เนี่มันเขีนแบบนั้นนะอ่ามันมันประเมินเรื่องความทุกข์ความสุขทํานองนี่แหละเข็นคุณของพ่อของแม่สารพัดเน่ยมันเห็นเขีนแบบที่ว่า ลึกซึ้งเลยล่ะถ้าถ้ามันเกิดมันเห็นคุณของแม่เนี่ยพัลนาคุณแม่เราอยู่ในท้องแม่มันพัลนาไปทํานองนี่อันนี้แหละให้ญาติโยมพิจารณาใจของตัวเองอ่าพิจารณากายของตัวเองถ้าเราส่งออกไปข้างนอกมันก็เป็นเรื่องของคนอื่นเราไปล่ําไปรวยไปคิดปรุงแต่งอยากมีแบบนั่นอยากมีแบบนี้อยากมีเครื่องบินส่วนตัวอยากมีเงินทองกองสมบัติมากๆ ทำรองนี่แหละอยากมีบริษัทบริวารคนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี่เป็นลูกน้องเราหมดมันคิดแบบนี้แหละส่วนมากมันก็คิดอยากใหญ่อยากโตนั่นแหละแต่มันผิดหวังมันไม่สมหวังโลกของเราเกิดขึ้นมาแล้วอ่าก็ที่ว่าบางครั้งก็มีสุขบางครั้งก็มีทุกข์อ่าไม่ใช่ว่าเราจ ะ, จะเจริญตลอดไปได้อ่ามันก็เปลี่ยนอยู่ทํานองนี่แหละอ่าโลกนี่มันที่ว่า เปลี่ยนแปลง อ, อยู่ไปเรื่อยๆจะเลิญถึงที่สุดแล้วก็เสื่อมลงพระพุทธเจ้าบอกแบบนั้นโลกสมัยก่อนเขาก็จเจริญมาแล้วที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดโลกไม่ใช่ว่าที่เรามองเห็นหรืว่าวัตถุโบราณที่แบบแบบที่ว่าที่เขาขุดเจออยู่ตามพื้นดินนะอะกระดูคนหรือว่ากระดูกสัตว์เป็นอ่าหม้อเป็นไหาตามบ้านเสียงํานองเนี่ย ที่เขาว่าเท่านั้นหมื่นปีเท่านี้แสนปี0นี่หลวงพ่อเจอมากกว่านั้นอ่าที่เรามาเกิดมาตายเนี่ยอ่าถ้าบางครั้งบางสมัยเขาก็จเจริญเหมือนกันอ่จเจริญแล้วเาก็สร้างอาวุธขึ้นมาประหัตประหารกันตายหมดตายหมดโลกไปอ่าอย่างทุกวันนี้เขาสร้างขีปนาวุธขึ้นมาแล้วอ่าเกาหลีเหนือเาก็สร้างอ่าฝรั่งเศสอ่าเยอรมันประเทศอ่า สหรัฐประเทศฝรั่งเศสประเทศสหรัฐพวกจีนพวกอิอนเดียทํานอนเนี่พวกที่เขามีเงินมีทองพวกเขามีเขาก็สร้างไว้สร้างขีปนาวุธไว้อันนี้แหละเวลาเขากดขีปนาวุธใส่กันไม่ถึงชั่วโมงหรอกตายหมดโลกนั่นแหละไม่ไม่ถึงวันเพราะอากาศเนี่ยทุกคน อ, อากาศที่มันไหลหมุนเวียนมันก็หมุนรอบโลกไปนั่นแหละ ถ้าประเทศหนึ่งกดใส่ประเทศหนึ่งมันก็ไปตกตูมขึ้นประเทศนั่นประเทศนี้เขาก็ตายนัาน่ะอันนี้เราก็ตายพราอมๆงเขาหน่าแหละอากาศหายใจเป็นพิษอปอดเครื่องในของเราเนี่เปื่อยไปหมดนั่นแหละอ่าอันนี้แหละมันก็เกิดเป็นป่าเป็นโด่งขึ้นมาอีกอ่าแบบพวกเราเห็นที่ว่าเขาพระวิหารเขาพนมลุ่งเป็นของโบราณน อ, อกระดูกอยู่ที่โน่นที่นี่อ่า ของคนโบราณคิดแบบนี้แหละพวกเราแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคนโบราณเหล่านั้นก็จิตวิ ญ, ญญาณของพวกเราเนี่ยมาเกิดใช่ว่าสมัยสุขโขทยัยสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยไหนๆพวกเราเนี่ยแหละมาเกิ ด, ม า, กดมาเวียนว่ายตายเกิดจิตของเราบางทีมันก็ไม่เกิดมาเป็นคนเวลากรรมหนักเวลาเราทำกรรมไม่ดีเราก็เปิดเกิดเป็นเปรตเป็นผีลอยอยู่ ในจำนวนพี่ว่าเป็นเปตเป็นผีเนี่ยก็หลายล้านปีก็มีเหมือนกันอ่าเปรต น, นี่อายุหลายล้านปีเลยนะอ่าไม่ใช่ว่าอ่าไม่มีเหตุผลนะเปรตญาติของพระเจ้าพิ่พี่สารอ่าอ่าช่วงที่ก่อนที่เขาจะเป็นเปต เ, เนี่ยสมัยพระพุทธเจ้ากัดสปูกัดสะปะพระเจ้ากัดสะปะอ่าท่านบอกว่าล่วงมาเก้าสบเอ็ดกับอ่าผ่านมาเก้าสิบเอ็ดกับ ยิงถึงพระสมณะโคโดมอันนั่นะคําว่ากลับนั่นแหละมันนานอันนี้แหละผ่านมาหลายล้านล้านปีนั่นแหละมันผ่านกลัวที่ว่ า, าได้จะได้มาหมดอายุของเปรตของผอีแต่อายุของมนุษย์เนี่ยบางทีก็หลายหมื่นปีเจ็ด0มื่ 8, 000, ปี8ปด0 0ื่ 2, 3, 000, ปีห 0,000 ปีสองสามหมื่นปีหลายพันปีก็มาทํานี้นำทำนองนี้เหมือนกันอันนี้แหละ แต่ที่จิตของเราเนี่ยมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้เรากําหนดไม่ได้แล้วมาเป็นมาเกิดเนี่ยมันเป็นวัฏทุกข์เป็นวัฏวนมาแล้วแต่ละคนละคนที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดที่เราเกิดมาชาตินี้ได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยดีมากพอแล้วให้เรากระทําบําเพ็ญเอาความดีใส่ตัวเองฝึกฝนให้ใจของเราเนี่ยได้รู้ทำเห็นทำเป็นปัจจุบัน อันนี้ะใจของเรามันจึงจะมีความเบื่อหน่ายมันเห็นโทษน ะ, ะถ้ามันเห็นศาตร์ความเกิดของตัวเองที่มาเวียนว่ายตายเกิดมันเห็นศาตร์ในอดีตของตัวเองแล้วเนี่ยมันเกิดความเบื่อหน่ายมันบอกว่าเออที่เรามาเกิดชาสตรนี้มันก็ทุกข์ขนาดนี้แล้วเราจะมาเกิดทำไมมันขึ้นมาทำนองนี้อันนี้แหละให้ญาติโยมที่ารณาแล้วก็ฝึกหัดเอาเองอไม่ใช่ว่า นานๆทีนน่มีครูบาอาจารย์มาเวลิน่ามาบริษัทเนี่ยจึงจะมานั่งฝึกมันไม่ใช่แบบนั้นเราต้องฝึกเองอ่าในช่วงไหนที่ว่าเราอยู่คนเดียวโอกาสที่ว่าเราอยู่คนเดียวนั่นแหละเรายิ่งที่ว่าถนัดดีไม่มีใครอ่มีเสียงรบกวนเราอยู่คนเดียวนั่นแหละยิ่งยิ่งดีกว่านี่ที่ไหนมันกลัวๆนั่นะ่ะก็ดีอีกมันจะช่วย ที่ไหนมันดีๆทีม่มีที่ว่าสมัยครูบาอาจารย์ท่านออกทุดงไปเพื่ออะไรไปหาสร้างหาเสือก็เพราะที่ว่าได้ยินเสียงเสือกระหึม่มได้ยินเสียงสร้างมันเดินมานี่ก็คิดว่ามันจะมาฆ่ามันจะมาเหยียบเสือมันจะมากัดคอมันจะมากินเนื้อกินหนังของเราอันนี้หละพุทธโธมันจะถี่ยิบอ่าอันนี้ก็ที่ว่าสอนตัวเองเอา เราไม่ได้เกิดอยู่ในป่าแบบนั้นเราเกิดในทุกวันนี้เราก็ที่ว่าบุญกุศลที่เราได้กระทํามาแล้วเนะี่ยเราเคยทำเคยทุโงมาแล้วเหมือนกันนั่นแหละแต่ทราบก่อนพบก่อนมันก็ที่ว่าอยู่ที่ใจของเราอย่าปล่อยอารมณ์ออกไปข้างนอกอย่าส่งอารมณ์ไปให้มันวุ่นวายไปอยากร่ําอยากรวยถ้าส่งไปทําน้อง น, นี่เนะี่ยมันไม่เขียนหรอกทำเราต้องน้อมเข้ามา หากายหาใจของเราเนี่ยพิจารณาลงลงมาให้มันเป็นปัจจุบันมาดูหนังเน่าให้เป็นปัจจุบันมาดูศพเป็นปัจจุบันดูทํานองนี่แหละเอาพุทโธกับลมหายใจเข้าออกที่หลวงพ่อว่าอย่าลืนตาแล้วก็ศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญนะศรัทธานี่คนไม่มีศรัทธาก็ฟื้นไม่ได้ อ, อาศัยศรัทธา ศรัทธาความเสื่อศรัทธาความเสื่อความเสื่อมั่นที่มันจะเกิดจะเป็นเนี่ยหลวงพ่อก็ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะเกิดเป็นนะอาศัยหลวงปู่วุญจันทร์อาศัยหลวงตาสมหมายหลวงปู่วุญจันทร์หลวงตามหาบัวหลวงปู่ขาวหลวงปู่อ่อนทรรมนองเนี่ยหลวงพ่อที่ว่าอาศัยสิ่งเหล่านี้นีถ้าไม่ได้ยินได้ฟังจากหลวงปู่วุญจันทร์ดุเนี่ยหลวงพ่อไปคิดเอาลูกสาวเขา หลวงปู่บุญจันทร์รู้จักท่านก็ว่าไปพินทบาทเอาลูกเอาเมียด้วยหรือคำเดียวเท่านั้นหลวงพ่อเป็นหนังเน่าได้แล้วหนังเน่าได้เพราะคำนี้คำเดียวอพอได้ยินคำหลวงตามหาบวัวเทศให้ฟังกุติซาราเขาไม่ได้ไม่เป็นต้นมาทําณะเขาตัดโลงเขาตีโผออกเขาเลื่อยเป็นกระดานพื้นกระดานฝากลัวนายช่างเขาจะมาประกอบกันเข้ามันง่ายเมือนไรข้าน้อยพอแล้วนิมนต์ท่านอาจารย์หยุดเทศมันขึ้นมาทํานองนี้ อันนี้หลวงพ่อพอฟังแป๊บเดียวน่ะมันพอพอไปถึงถ้ำกองเพลินมันหลวงปู่เขาหลวงหลวงพ่อคิดว่าหลวงปู่เขาเป็นพระอรหันเหมือนกับท่านอาจารย์มหาบัวหรือยังคิดแบบนี้ความคิดของหลวงพ่อหลวงปู่เขาได้ยินคําคิดท่านก็มองมาหาหลวงพ่อพอมองมานี่สายตาของท่านมาปะศบกับของเราเนี่ยเหมือนกับเฟซถ่ายรูปฟึกบมาเลย นั่นแหล ะ, ะกายไม่มีแล้วเหลือแต่ล่างกระดูนั่นหลวงปูขงขงงป่ขาวพลังจิตของหลวงปู่ขาวอันนี้แหละอันนี้แหละศรัทธาตัวนี้เป็นศรัทธานะศรัทธานี่สําคัญการที่เราได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทำนองนี้หลวงพ่อจริงแต่ว่าเอา้าครูบาอาจารย์ท่านมาจากไหนมันขึ้นเลยนะบัดนี้นะมันเห็นแบบนั้นแล้วมันเห็นล่างกระดูของตัวเองเพราะหลวงปู่ขาวนะ เห็นนังเน่าเห็นกระดูแล้วอ้าวครูบาอาจารย์ก็มาจากคนเราก็เป็นคนอ้าวถ้าไม่รู้ไม่เห็นไหมมันตายไปเลยจากวันนี้ต่อไปไม่ต้องสันข้าวอ่าไม่ต้องกินข้าวแต่พออยู่ๆเนี่ยมันถึงวันมันจะเป็นจริงๆเนี่ยอ้าวจากวินาทีนี้ต่อไปไม่ต้องสันน้ำเรายังกินน้ำอยู่เนี่ยมันไม่ตายง่ายขึ้นมาอีกอันนี้แหละมันเห็นซาดเห็นที่ว่าจิตของตัวเองนั่นแหละ อ่าถ้าถ้ามันมีที่ว่ากาลังใจครูบาอาจารย์ท่านให้กำลังใจอันนี้หลวงพ่อจะว่าสละตายเพื่อทำาก็ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ทําขนาดนั้นอ่ะหลวงพ่อก็ไม่กล้าไม่กล้าสละตายอันนี้ศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญมากถ้ามีศรัทธาแล้วก็ต้องมีขันติอ่าศรัทธาขันติความอดทนต้องมีความอดทน ต้องมีวิริยะความภาคความเพียรมีสติจดจ่อเข้ามาพิจารณากายอันนี้แหละให้เรามีศรัทธาทํานองนี้เราจึงที่ว่าจะได้เกิดได้เป็นในชาตินี้พบนี้ในปัจจุบันนี้วันนี้ก็ที่ว่าหลวงพ่อก็ขอยุติการแสดงแค่นี้เล็กๆน้อยๆพอสู่กันฟัง